ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะปะพระปุพพะสิกขาและปุพพะสิกขาวันนานาพระอมราพิรกิตะอมร โ, โรเกิดวัดปรรมิว่ารัชนาบัดนี้จะแปลอธิบายในบทว่าอรารหังเป็นต้นท่านประกอบบทไว้เป็นอนุสสาระในอย่างสำหรับตามระลึก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 พระองค์มละเสร็จแล้วด้วยมัรคยานนั้นๆก็วาสนานั้นแปลว่าปกติอันกิเลสอบรมอยู่ได้แก่อาการแห่งกายวาจาของพระขีนาศกผู้ไม่มีกิเลสเหมือนอาการของคนมีกิเลสวาสนานี้พระสัพพันธ์ยูพุทธเจ้าจาพวกเดียวละได้ขาดพร้อมกับกิเลสด้วยอรหัตมตรรคพระปัเจกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์่ึงเป็นสาวกาละวาสนาไม่ได้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 ก็คือแปลว่าคนถอยคนถอยแม้ท่านเป็นพระอรหันต์ขีนาตบแล้วท่านก็ยังกล่าอยู่ว่าวัสริวัสริเจอใครก็เรียกคนถอยคนถอ ย, ถอยหมดเพราะวาสนาพระอรหันต์สาวกมะละไม่ได้เพราะเหตุนั้นความมะละกิเลสแห่งพระพุทธเจ้าไม่สาธารณทั่วไปกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกพระผู้มีพระภุทเจ้าเพราะไกลจากกิเลสดังนี้ พระองค์มีพระหรหนทัยอันบริสุทธิ์ใสสะอาดไม่หวาดหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดลาบและใช่ลายศและใช่ยศนินทาประสังสาตุกทุกมาถึงเฉพาะพระองค์พระองค์ไม่อนุโรธพิโรธคือความยินดีความยินร้ายย่อมเพิกเฉยประกอบด้วยฉลังคู่เปคขามีอุเบกขาในทวารทั้งหก แม้รูปเสียงติ่นรถพวดพระธรรมมารมดีร้ายใดๆมากระทบจักขุโสตะคานะชิวหาตายมโนทวานพระองค์ไม่โสมนัสโทมนัสย่อมเพ่งโดยอุบัติด้วยยานุเบคาเป็นอุเบคาวางเฉยด้วยปัญญาอันหนึ่งพระองค์มีพระหฤทัยดังแผ่นดินแม้พระกายข้างหนึ่งทาด้วยจุรนจันสุขนลชาติของหอมพระกายข้างหนึ่ง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 และบูชาพิเศษอันเทพ ย, ยดามนุษย์ทั้งหลายกระทําเพราะพระองค์เป็นยอดแห่งทักษิณยะบุคคลกระทําผลแห่งทานการบูชาให้พบูลพิเศษยิ่งเพราะเหตุพระองค์เป็นผู้ควรสการะบูชาพิเตศนั้นเมื่อพระองค์เกิดขึ้นแล้วในโลกเทพ ย, ยดามนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงได้บูชาพระองค์ด้วยปัจจัยสี่และเครื่องสการะบูชาพิเศศต่างๆจนพระองค์ดับขันทปริภิพานแล้ว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 ถ้าผู้มีพระภาคทรงพระนาม ว, ว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ตัดสู้คือรู้เท่าซึ่งทำทั้งปวงเองชอบอธิบายทั้งปวงให้นักปราชญ์พึงรู้ดังบทว่าบุตโธดังกล่าวแล้วในก่อนแปลกแต่ที่นี้มีบทว่าสัมมาสังกับว่าทำทั้งปวงแทนสังขารทั้งปวงเท่านั้นสัมมาแปลว่าชอบแสดงว่าความตัดสู้ของพระองค์ชอบแท้ไม่วิปริต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 สิ่งละหกสิ่งละหกก็เป็นปิยรูปสาตรูปหกสิบสิ่งที่เป็นที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจในโลกขันห้ากระสินสิบอนุสติสิบกัญญาสิบอาการมีผมขนเล็บเป็นต้นอาการส2มิสองอายตนะสิบสองาสิบแปดภพเก้าฌานสี่ภพเก้าก็ได้แก่การมาพบรูปประพบอารูปประพบ แล้วก็สัญญาภพอสัญญาภพเนวัสัญญาณสัญญาภพปัญจวการาภพเอกวการาภพจตุวการาภพอัปมัญญาสีอรูปสมมาบ ส, สีองค์ปฏิจจุบาทมีอวิชชาเป็นต้นมีชราเป็นที่สุดสิบสอยงยามสิบสององค์โดยอนุโลมปฏิโลมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมทั้งปวงแทนสังขารทั้งปวงเพื่องค์รู้เท่าธรรมทั้งปวงนี้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 ส่วนธรรมที่เป็นปหาตัปพระจะพึงมาละได้คือสมุทัยก็มาละได้ด้วยปหาณะปริญญาก็ตั้งแต่พังคานุปัสสนายาเป็นต้นไปจนถึงอัตตมัตส่วนธรรมที่เป็นสัจจิกาตัปพระจะพึงกระทำให้แจ้งประจักษ์คือนิโรธก็กระทำให้แจ้งประจักษ์ได้ก็ได้แก่พระนิพานส่วนธรรมที่เป็นภาเวตัปพระจะพึงให้มีให้เจริญขึ้นคือมัตก็ให้มีให้เจริญขึ้นได้ ด้วยสิ่งสมัติทปัญญาประชุมกันมักมีองแตกอย่างนี้แลชื่อว่ารู้ยิ่งจะประกอบในอายตนะอันเดียวคือจัตสุพอเป็นนิทัศนะตัวอย่างจัตสุนี้เป็นขอจะพึงกําหนดรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะใช่ตนจึงเป็นทุกข์ตัณหาในพบก่อนซึ่งให้เกิดจัตสุมานั้นเป็นสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกขตัณหานี้เป็นขอจะพึงมละได้ คาไม่เป็นไปแห่งทุกข์และตมุทไทนั้นชื่อว่านิโรธนิโรธนี้เป็นของจะพึงกระทําให้แจ้งประจักษ์ได้ความรู้ทุกขะตมุทไทนิโรธนั้นชื่อว่ามัชมัชนี้จะพึงให้มีให้เจริญขึ้นได้พระผู้มีพระภาคเจ้ารู้อย่างนี้แลชื่อว่ารู้ชอบก็มีสมมติทิไม่มีผู้ใดสอนพระองค์พระองค์รู้เองเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าสัมมาสัมบุตโธ ผู้รู้เท่าซึ่งทำทั้งปวงเองชอบให้นักปราชญ์พึงประกอบในอายตนะนอกนั้นและทำอันเสรดังนี้ทุกๆุทกบทเถิดก็คือธรรมะสองร้อยหนึ่งเนี่ยนะในปฏิสัมพิธามรักเนี่ยจนกระทั่งถึงปฏิจจุบาตองทุ้ายชารามรณะเลยก็คือชารามรณะเป็นทุกข์พึงกำหนดรู้ชารามรณะสมุทัยก็ได้แก่ปัญหาในพบก่อนซึ่งเป็นเหตุทาให้มีชารามรณะหรือว่าชาติชาติ เป็นเหตุที่ทำใหเกิดชารามรณะแต่ชาติก็มาจากนู่นแหละมาจากภบมาจากขุปาทานมาจากปัญหานั่นแหละแล้วก็ความไม่เป็นไปแห่งชารามรณะก็ได้แก่นิโรธนิโรธก็ต้องทําให้แจ้งสัจิกตพะการที่เข้าไปกําหนดรู้ทุกข์ก็คือชารามรณะก็ไปรู้ชาติหรือว่ารู้ตัณหาเป็นสมุทัทยแล้วก็รู้แจ้งนิโรธนั่นก็เป็นอริยะมรรคก็ประกอบทำสองร้อยหนึ่งโดยอริยสติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธคุณในบทว่า สัมมาสัมพุทโธก็แลบทว่าอรหังนั้นสำเร็จด้วยปหานะการมละกิเลสบทว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นสำเร็จด้วยภาวนาความทำปัญญาให้เจริญขึ้นของบทนี้ก็เป็นบทใหญ่ของว่าอรหังกับสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคจ้าทรงพระนาบว่าวิชาเจรณะสัมปันโนนั้นเพราะพระองค์ถึงพร้อมแล้วบริบูรณ์แล้วด้วยวิชาและเจรณะ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 วิชาสามนี้ได้กล่าวพิจาราแล้วในเบื้องหลังวิชาแปดนั้นคือวิปัสนาญาณปัญญาเห็นกายนี้สักว่าเป็นท่าสี่มีวิญญาณอาศัยอยู่ใช่ตัดใช่บุคคลหนึ่งพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปัจจัยยกขึ้นสู่ไตรลักษณอันนี้ก็เป็นวิปัสนามาโนมยิทิริษสำเร็จด้วยใจคือความเนรมิตตึ่งรูปอื่นออกจากกายนี้ดังชักไส้ญ้าปล้องหนึ่งอิทธิวิธี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 กับวิชาสามดังกล่าวแล้วนั้นจึงเป็นแปดแปดนี้ชื่อว่าวิชาเพราะเป็นความรู้วิเศษรู้ต่างๆรู้แจ้งแฉีงตรอดวิชาแปดนี้มีที่มาน้อยวิชาสามนั้นมีที่มามากในพระไตรปิฎกจารณะมีสิบห้าก็คือศีลสังวรศี ล, ลคือความสำรวมกายวาจาหนึ่งอินริยาสังวรความสำรวมในอินทรีย์ทั้งหกมีจกักขุนสีเป็นต้น มีให้อภิชาตโทมนัสบาปธรรมเกิดขึ้นได้หนึ่งโภชเนมัตตัญยุตาความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะหนึ่งชาคริยานุโยก ค, ความประกอบตามซึ่งความเพียรเป็นของแห่งคนผู้ตื่นอยู่หนึ่งกับสัพปริส ธ, ธรรมเจ็ดสัพปริส ธ, ธรรมธรรมของสัตว์บุตรผู้สงบแล้วก็คือศรัทธาความเชื่อต่อของที่ควรเชื่อก็คือเชื่อในกรรมบนกรรมเชื่อในคุณความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าคุณงองพระธรรมคุณอ ง, ณ อ, งณองพระสงฆ์ หิริความละอายเพราะทุจริตบาปธรรมโอตตะปะความสะดุ้งแต่ทุจริตบาปธรรมทาหุสัจจะความเป็นผู้สูตรก็ยินได้ฟังมากวิริยะคือความเพียรปารลบความเพียรในการละบาปเจริญบุญสติความระลึกได้ไม่หลงลืมในสิ่งที่ทำคาที่พูดแม้นานแล้วได้ว่าเป็นเพียงการย่อวิญญาณและขีดวิญญาณที่เกิดจากจิตเป็นปันจจัยเท่านั้นปัญญาความรู้ทั่วถึง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 วิชาก็คือปัญญานั่นเองวิชาสามและแปดก็ดีและจารณาสิบห้านี้ย่อมมีพร้อมบริบูรณ์ไม่บกพร่องในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเหตุนั้นจึงทรงพระนามวา่าวิชาจารณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณะวิชาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยวิชาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมกระทําสัพพัญยุตาคือความเป็นผู้ รู้ซึ่งสัพพะยยธรรมทั้งปวงไม่ขัดข้องให้บริบูรณ์ดำรงอยู่ก็คือทําให้ถึงท้องความเป็นสัพพัญยุตยาความเป็นพระสัพพัญยูเจรณะสัมปทาความที่พระองค์ถึงพร้อมด้วยเจรณะจ่อมกระทํามหาการุนิกตาความที่พระองค์มีพระกรุณาอันใหญ่หลวงให้บริบูรณ์ดำรงอยู่เจรณะก็เป็นปัจจัยแก่มหากรุณาสมาปฏิยานนั่นเองส่วนวิชาก็เป็นปัจจัยแก่สัพพัญยุตยาน พระองค์นั้นย่อมรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และใช่ประโยชน์แห่งสรรพสัตว์ด้วยสัพพัญยุตตาและเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ประกอบสัตว์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยมหาการุณิกตาทางการุณาอันใหญ่หลวงทั้งนี้เพราะพระองค์ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะเพราะเหตุนั้นสาวกของพระองค์จึงเป็นสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติแล้วดี ไม่เป็นทุปปฏิปันโนผู้ปฏิบัติแล้วชั่วดังสาวกแห่งครูผู้วิบัติจากวิชาและจรณะเป็นอัตตันตปะผู้ทำตนให้เล่าร้อนเปล่าเป็นต้นก็พวกเดรธีพวกปําเพนทุกขกิริยาเป็นผู้ที่ประพฤติลำบากลาบากทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงพระนามวสุขโตนั้นเพราะพระองค์ไปแล้วสู่ที่อันดีคือพระนิพพานอันเป็นอมริตตสถานทาให้ไม่ตาย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 เป็นปัจจัยด้วยนะกิเเป็นเหตุทากรรมกรรมก็เดยทาให้เกิดโรคตา่างๆและรู้โดยนิโรธทำเป็นที่ดับแห่งโลกและสมุ ท, ทยัยคือพระนิพพานและรู้โดยนิโรธุบายทำเป็นอุบายในความดับโลกคือมัจพระองค์รู้ด้วยประการทั้งปวงดังนี้เพราะเหตุ น, นั้นพระองค์จึงได้ตรัสแจโรหิตัสสะเทวบุตรว่า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 และโลกาสมุทรไทยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งโลกและโลกนิโรธที่เป็นที่ดับแห่งโลกและโลกานิโรธคาขม่นีปฏิปทาทางดําเนินไปถึงที่ดับโลกสีนน่อย่างนี้ในกาเรวระสรีระกายยาวประมาณวานหนึ่งจะกอบด้วยสัญญาและใจนี้แลใช่จะบรรจับในที่อื่นก็หาไม่เพราะฉะนั้นถ้าจ ะ, ะ, รา ะ, ะตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในกายยาววานาคืบพร้อมทั้งใจคลองนี้เอง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 บางพวกเป็นสัตตตาสยะบางพวกเป็นอุเฉดาสยะก็คือนอนเนื่องด้วยความเห็นผิดประเภทสัตตะเที่ยงอุเฉทะประขาดูนย์บางพวกเป็นอนุโลมิกขันตายาสยะก็หมายถึงเป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปในการที่จะเจริญพัฒนาเป็นอนุโลมิกะขันติยาณนะขันติผู้นี้บางพวกเป็นยถาภูตายาณัสัสนะก็คือเจริญพิจารณา การรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นพวกวิปัสนาเหมือนกันและรู้ว่าสัตว์โลกจำพวกนี้มีอนุสัยคือกิเลสนอนอยู่ในสันดานดังนี้คือเป็นราคะนุสัยเป็นต้นการอนุสัยทั้งเจ็ดใครจำลิสัยแบบไหนมากและรู้ว่าสัตว์จำพวกนี้ประกอบด้วยทุจริตและทุจริตหรือรู้จริตทั้งหกแห่งสัตว์ก็ดีคือพวกราคะโทสะโมหจริตปิตกจริตศรัทธจริตพุทิจริตพวกนี้ และรู้ว่าสัตว์ผู้นี้มีอธิมุตติคืออัจฉริยะสายต่ำช้าและกรณีตดังนี้ก็ดีและรู้ว่าสัตว์ผู้นี้มีอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นอันขมกล้าผู้นี้มีอินทรีย์อันอ่อนตามผู้นี้มีอาการอันดีคือเป็นวิวัตตาสายหมายถึงเห็นโทษภัยของวัตตะผู้นี้มีอาการอันชั่วคือวัตตาสายหมายถึงอาศัยวัตกายดีในวัตตาอยู่ผู้นี้จะพึงให้รู้ได้ด้วยง่ายเพราะมีศรัทธาและปัญญา ผู้นี้จะพึงให้รู้ได้ด้วยยากเพราะไม่มีศรัทธาและปัญญาผู้นี้เป็นภพประศัตรควรจะตัดสรู้เพราะปราศจากอาวรณธรรมเครื่องกัน้นคือกรรมและกิเลสและวิบาผู้นี้เป็นอพภพปรตศัตเพราะประกอบด้วยอาวรณธรรมมีกรรมเป็นต้นพระองค์รู้แจ้งซึ่งสัตวโลกดังนี้แหลจึงทรงพระนามว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งถึงโลก อันหนึ่งโลกโดยประเภทมีสามคือสังขารโลกได้แก่นามรูปเป็นต้นหนึ่งสัตวโลกได้แก่เทพยดามนุษย์เป็นต้นหนึ่งโอกาสโลกคือแผ่นดินอากาศเป็นต้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคจาย่อมรู้โลกทั้งสามนี้ว่าเป็นปุรชนะธรรมมีความหลุดทลายหักพังไม่ยั่งยืนเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามวา่าโลกวิถู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 พระองค์ย่อมเสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์ไม่มีผู้เปรียบไม่มีบุคคลผู้เปรียบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าอนุตตรโรเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าให้บัณฑิตพึงสาทกด้วยอักขับภาษาทสูตรเป็นต้นก็คือไม่ว่าจะเป็นสัตตองเท้าสี่เท้ามากเท้าไม่มีเท้าสักมีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ จะเป็นรูปอรูปก็ตามมีประมาณเท่าไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลิศ ก, กว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายเหล่านั้นพระนามว่าปุริสธรรมสารถินั้นแปลว่าพระองค์เป็นผู้ทรมานซึ่งบุรุษที่ควรทรมานแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมทรมานซึ่งเทพ ย, ายดามนุษย์และอามนุษย์ซึ่งเป็นบุรุษควรทรมานนั้นด้วยวินยัยอุบายอันวิจิตต่างๆ คือสัตว์จําพวกใดชอบคําละเอียดไพเราะพระองค์ก็ทรงทรมานด้วยคําละเอียดคือแสดงสุจริตสามีกายั ส, สุจริตเป็นต้นและแสดงผลแห่งสุจริตชื่อว่าเป็นคําละเอียดให้สัตว์นั้นยินดีประพฤติสัตว์จําพวกใดชอบคํายาพระองค์ก็ทรงทรมานด้วยคํายาคือประกาศทุจริตสาและผลแห่งทุจริตนั้นให้สัตว์เปลียดกลัวมละเสีย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 ทรมานซึ่งคจารารและอัศดรซึ่งเป็นตัดกวรทรมานให้มละพยศอันร้ายดังนี้พระองค์จึงทรงพระนามว่าปุริสธรรมสารติผู้ทรมานซึ่งบุรุษควรทรมานวันนี้ก็สมควรจะเวลาพวกนี้ก็จะได้กล่าวถึงคำว่าอนุต t โ r กับปุริสธรรมสารตินี้ก็รวมกันเป็นบทเดียวเลยก็คืออนุต t e r ปุริสธรรมสารติผู้ที่ ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าวันนี้ก็ขอให้ได้ขัดทาอันเพิ่มผูนยิ่งขึ้นขอให้ได้ปีติปราโมทในการน้อมระดึกหรือว่าได้ฟังถึงคุณของพระสัมมาสัมบุทธจ้าเพื่อเป็นปัจจัยก่การที่จะหลุดพ้นออกจากวัฏฏะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทําการกํำลัง ร, รู้ทุกขละสมุทัยทํานิโรธที่แจ้งแล้วก็อบรมอริยมรรคมีลลแปะคือสี่สมาธิปัญญาให้บริบูรณ์จะได้พ้นจากทุกข์ในการไม่เลื่อนชานี้สาธุ หาึ่งหน